จึงต้องมาฝึกให้มันมีความรู้สึกตัวมารู้ตัวเราไว้ก็จะได้ไปเป็นรู้นั่นไงเป็นเราแท้ๆกลับคืนไปสู่เราแท้ๆที่มารู้ตัวเรานี่แน่ก็เลยหลงตาพยายามพูดเชื่อมโยงให้ท่านเข้าใจตั้งแต่แรกว่าทำไมจึงต้องให้ท่านฝึกรู้สึกตัวตลอดเวลารู้ตัวตลอดเวลารู้อะไรก็มารู้ตัวเราไงรู้ตัวเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกตัวเรานั่งอยู่ในท่าใดตัวเราเดินอยู่ในอรียบทได ยืเนเดินนั่งนอนทำกิจการงานใดทำกิจกรรมอะไรใดในชีวิตประจำวันต้องรู้ตัวเราตลอดเลยว่าตัวเราเนี่ยกลังทำอะไรให้เป็นรู้ตัวเราให้เป็นรู้ตัวเราอย่าเอาตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเราเพราะตัวนี้เป็นสิ่งสมมุติเป็นสิ่งปรุงแต่งเรียกว่าเป็นสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บ ต้องตายต้องเน่าเปื่อยผุพังสลายไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟว่างเปล่าไปแล้วก็มันมีกิริยาการอะไรเจ็บปวดเมื่อยมีเวทนาเจ็บเจ็บนูนเจ็บนีไบบ่ไม่สบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจสบายเนื้อสบายตัวไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวก็ให้มันรู้อยู่รู้อยู่แต่ไอตัวที่มันมีเวทนาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวสมมุติเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวมายามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ผู้เจ้าตัดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังสลายไปมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราให้ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นเขาเสียให้เราเนี่ยแนคือผู้ที่มารู้ตัวเรานี่แน่มารู้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาจึงต้องฝึกให้มีความรู้สึกตัวไว้รู้ตัวไว้ตลอดเวลารู้อะไรก็มารู้ตัวเราไว้ตลอดเวลาว่าตัวเราเนี่ย เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวก็เพ้อๆไปยึดเอาไอ้ตัวเราที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เคลื่อนไหวได้พูดได้ทํากริยาการได้มาเป็นตัวเราสิอีกแล้วอเราก็ต้องมันสอนจิตใจของเราสอนสติปัญญาของเราให้มันฉลาดว่าเอผิดตัวแล้วผิดตัวผิดตัวผิดตัวเจ้ายึดผิดตัวหลงผิดตัวแล้วไอ้ตัวที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้พูดได้หายใจได้เคลื่อนไหวได้ทํานู่นทํานี่ได้มันเจ็บปวดได้ มันสบายเนื้อสบายตัวได้ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวได้มันใช่ตัวเราที่ไหนตัวนี้ตัวสมมุติตัวขันหน้าตัวปุงแต่งตัวมันผสมมาจากสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ในตัวเนี้อย่าไปยึดเอาตัวนี้เป็นตัวเรามันไม่เที่ยมันเดี๋ยวมันต้องตายแตกดับอย่าไปยึดเอาไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่คิดนึกตื่ต้องปุงแต่งได้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเราแต่แท้จริงก็คือผู้ที่มารู้ตัวเรานี่นี่มารู้ไอ้ตัวที่ ขันห้านี่ไอ้ตัวที่ผสมมาจากสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์สามารถพูดได้เคลื่อนไหวไปมาได้หายใจเข้าหายใจออกได้มันรู้สึกสุขได้ทุกข์ได้เสียใจได้ดีใจได้หม่นหมองได้ผ่องใสได้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวขันห้าแต่เราแท้จริงอ่ะมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์เคลื่อนไหวไม่ได้เกิดดับไม่ได้มีกิยาการไม่ได้ได้แต่มารู้ตัวเราไอ้ตัวไอ้ตัวเราตัวสมมุติเนี่ยตัวสมมุติตัวขันห้าตัวปรุงแต่งเนี่ย มันมีกิริยาการได้มีสุขมีทุกข์ได้มีผ่องใสได้มีเศร้าหมองได้มันมีเกิดดับได้มีกิริยาการที่ตรงกันข้ามได้มีสุขมีทุกข์ได้มีผ่องใสได้มีเศร้าหมองได้มีรู้สึกว่ามันรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาสบายได้รู้สึกว่าไม่ว่างไม่โล่งโปร่งเบาสบายรู้สึกมันมีอะไรที่มีกิริยาการตรงกันข้ามได้อะไอตัวเนี้เป็นเป็นตัวขันห้าเป็นตัวปรงแต่งเป็นตัวสมมติไอ้รู้นั่นนะมันไม่ได้แต่รู้อย่างเดียวต่อพุทธะเพือ รู้อะไรก็มารู้ตัวเราเนี่ยเนี่ยรู้ตัวเราไม่ได้ว่ามันรู้แค่ร่างกายมันรู้ทั้งตัวเรารู้ทั้งการพูดรู้ทั้งการคิดนึกตึกตอนปรุงแต่งรู้ทั้งเวทนาเนี่ยมันก็มารู้ตัวเราแต่รู้เนี่ยเนี่ยมันไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่ได้มีความรู้สึกว่างมันมีแต่รู้มันไม่มีความรู้สึกใดไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดมีแต่รู้อย่างเดียวมารู้ว่าไอ้ตัวขันห้าเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรในขณะปัจจุบัน จึงต้องมาฝึกให้มารู้ตัวเราไว้ในความรู้สึกตัวไว้เดี๋ยวรู้สึกตัวไม่รู้สึกมารู้ตัวเราไว้ไม่ได้ไม่นานเม่อเพอเพลหลงทิ้งความรู้ที่มารู้ตัวเราไว้เม่อคิดอะไรปรุงแต่งไปแล้วเมื่อท่านทิ้งความรู้ตัวเราเนี่ยแล้วไปเม่อเพอเพลนคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเท่ากับท่านเนี่ยมายึดเอาไอ้ตัวขันห้าตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราซะแล้วก็เอาตัวเราไป เมอเผลอเปอินคิดอะไรเลื่อยเจย์อา่าหรือว่าเอาไปคิดปรุงแต่งพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรอยู่ในใจคิดดิ้นลนค้นหาพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากเข้าใจอยากบรรลุธรรมดิ้นลนกุกขักกุกขักกุกขักกุกขักกุกขักวิเคราะห์วิจารวิจัยประมวลผลไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งได้ ไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นขันฮะมันเป็นตัวสังขารเป็นตัวสมมุติที่ผสมมาจากสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่แล้วกักินซากพืชซาสัตว์เข้าไปเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวสมมุติมันไม่อยู่ไม่นานเมันกระดับหมดนะมันตายแตกดับหมดแล้วตัวในกระดาษปัจจุบันก็เกิดเกิดดับดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าไปยึดเอาไอ้ตัวสมมุติเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา ให้รู้ตัวเราฝึกให้รู้ตัวเราไว้รู้ซื่อซื่อรู้ตัวเราซื่อซื่อรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ทำ ม, มารมรู้อาการของใจซื่อซื่อมันก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยสติปัฏฐานสี่ผู้ใดนะมาสักแต่ว่ารับรู้มาสักแต่ว่ารู้ในมีสติสัพพัญญามาสักแต่ว่ารู้ในสติปัฏฐานสี่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิ ต, จตทำในทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย อย่างเร็วที่สุดไม่เกินเจ็ดวันบรรลุพรนิพพานอย่างแน่แท้ถ้าเจ็ดวันไม่บรรลุเจ็ดสัปดาห์ก็ต้องบรรลุภายในเจ็ดสัปดาห์ต้องบรรลุภายในเจ็ดสัปดาห์ไม่บรรลุภายในเจ็ดเดือนต้องบรรลุภายในเจ็ดเดือนไม่บรรลุไม่เกินเจ็ดปีจะต้องบรรลุอย่างแน่แท้บรรลุอะไรล่ะก็บรรลุไปเป็นรู้ตัวเรานี่น่ะไปเป็นรู้นั่นแหละมันต้งบรรลุไปเป็นรู้กับบรู้ลุตัวเราไม่ต้องเจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเดือน มันก็เลยเป็นรู้ตัวเราสักทีไม่เลยมันไม่ได้มาเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้มาเป็นตัวเรามันสอนมานานบอกมันานานมันก็เลยเข้าใจสอนก็ตั้ง7จวัน7เดือน7ปีมันบอกมันสอนมันเหมือนลูกหมาลูกแมวเอ้ยอย่ามาเอาไอ้ไอ้ตัวเราที่ที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเคลื่อนไหวปรุงแต่งได้เกิดดับได้มีกิริยาการที่เปลี่ยนแปลงสลับไปมาได้เป็นตัวเรานะแต่แต่มันรู้ตัวเราว่ามันแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบตองแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งมันถูกรู้หมดเลยด้วยตัวเรานี่แน่ อออออเออมันใกล้เราเนี่ยไอ้ที่มันรู้ตัวเราก็อยู่ในตัวเรานี่นยแนะเออมันเลยรู้ตัวเราตลอดเวลาเราแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบต้องแอบพูดแอบพุ่งแต่งแอบกระทำอะไรในที่รับที่แจ้งไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวในทบทอะไรไม่ว่าจะหายใจเข้าหายใจออกมันรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยตัวเรานั่งดังอยู่เนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมันรู้ตัวเราตลอดเวลาให้เป็นรู้ตัวเราเอ้าเดี๋ยวมาหลงเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราอีกละเอาตัวเราไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปอีกแล้วเนี่ยเรียกว่า สติปัญญามันขาดแล้วก็ต้องสอนอีกว่าเอาไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวเราที่มันสามารถมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวสมมุติเนี่ยเป็นตัวเราซะอีกแล้วไม่เอาไอ้ที่มารู้ตัวเราเป็นตัวเราอีกแล้วสอนอยู่เงี้ยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันก็ต้องฉลาดแล้วมันก็เหมือนสอนลูกหมาลูกแมวมันยังฉลาดเลยนี่มันค น, เ, นเราเนี่ยสติปัญญาเป็นเลิศอยู่แล้วเราสอนมันไม่จ้าหลับพระเจา้าถึงบอกว่าไม่เกินเจดปีบรรลุอนิพานแน่บรรลุอะไรก็บรรลุมาเป็นรู้ตัวเราอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหลานทั้งหลาย ถามท่านแต่ละองค์อยู่ก็รู้อยู่กับรู้เราอ ย, อยู่กับรู้ท ah ั้งนั้นเนี่ยอยู่ก็รู้อะไรก็รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ได้ใจไปรู้รู้ไม่เข้าไปติดอะไรได้แต่รู้แค่รู้เอี่ยเลอยู่กับรู้ทุกองค์อ่ะเราไปถามกัตตันเองอ่ะหลวงปู่เลี้ยนวราโพพวกเราคงเคยได้ยินอ่ะหลวงปู่โอ้ยหลวงปู่โอ้หลวงปู่บรรลุตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เลยหลวงปู่บรรลุอรหันต์แล้วหลวงปู่หลวงปู่มีอะไรเป็นวิหาเราทำหลวงปู่ครับเอ่พ่อแม่กูบาจานหลวงปู่เลี้ยนวราโพ อ่ารู้รู้รู้อยู่กับรู้เออรู้ทุกรู้เนี่ยกนะ็แค่รู้นะแค่รู้เน่ยเวลาอยู่รู้ทุกอย่างจะไม่อะไรทุกอย่างไม่ติดอะไรสักอย่างหนึ่งแค่รู้เอออยู่กับรู้อ่าล้มปูดูนาโตโรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถืออยู่ล้มปูอยู่กับอะไรมีอะไรเป็นพิหารธรรมอยู่กับรู้เออล้มปู่เทศไทรลังศรีวัฏิมาเป้งอยู่กับรู้เออรู้ทุกอย่างได้ใจไปกลางอยู่กับรู้ฐานล้มลปู่ลีตานังกาโลล้มปูมีอะไรเป็นพิหารธรรม อยู่กับผู้รู้แล้วแต่ถ้าจะใช้ภาษาอะไรอยู่กับผู้รู้อยู่กับรู้ก็คือรู้ตัวเราเนี่ยรู้ตัวเราเราสอนตั้งเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันต้องหายโง่แล้วมันก็ต้องมาเป็นรู้ตัวเราสักทีมันเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราเรื่อยไปมันต้องเลิกหายโง่แล้วพุทธเจ้าต้องบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีหรอกเดี๋ยวมันก็บรรลุไปได้ก็คือมาเป็นรู้ตัวเราสักทีเลิกเอาตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราสักทีก็แค่นี้แหนนะเนี่ยการสอนน่ะพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมมันงงง่าายๆตตรรไป เนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุมรรผลนิพพานได้ก็คืออะไรอะสติปัฏฐานสี่ก็คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือตัวเรานี่แน่ร่างกายก็คือร่างกายเราเวทนาในเวทนาก็คือเวทนาเนี่ยก็คือความรู้สึกสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจเจ็บปวดเมื่อยตรงนี้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยตรงนี้โป่งโรคเบาสบายไม่โปรงโรคเบาสบายนี่เนี่ยมันก็เวทนาก็เวทนาเวทนาก็คือตัวเรานี่แน่รู้ร่างกายจิตใจของเราจิตก็คือความคิดเนี่ย อจิตก็คือความคิดมันจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกอะไรแต่ลอดเวลาเลยเนี่ยในใจของเราเนี่ยที่มันที่มันขยับตัวได้ที่มันเคลื่อนไหวได้ที่มันปรุงแต่งได้ที่มันเกิดดับอะไรได้เนี่ยไม่ต้องเรียกมันว่าความคิดก็ได้ไม่ต้องเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่ามันุกจจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกไม่รู้จะเรียกมันอะไรบางทีลูกตาบอกว่าเรียกว่าคิดอาจารย์มันไม่มันไม่ใช่คิดนะ มันทําท่าทําท่าอะไรก็ไม่รู้ในจิตรู้สึกรู้สึกว่าข้างไหนมันทําท่าทำท่าอะไรก็ไม่รู้เออไอ้เนีไอ้ที่มันทำท่าอะไรได้มันก็เป็นตัวปรุงแต่งหมดนะเนี่ยทำมันแสดงกิริยาการเกริดดับได้ you, ไม่ต้องเรียกว่ามันว่าอะไรบางทีอาจารย์ไม่ได้เรียกว่ามันทําท่านะไม่ได้บอกมันไม่ทาท่าทําท่าแต่มันมีอาการเหมือนจะพยายามจะพยายามจะพยายามอะไรก็รู้เออจ่าจ่จ่าอะไรก็เป็นปรุงแต่งหมดอันนั้นน่ะมันจิตบดอะไรก็ตามไม่ต้องเรียกมันคิดก็ได้เรียกว่ามันทําท่าทําท่าเรียกว่ามันพยายามพยายามเรียกว่า อาจารย์บางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่คิดด้วยมันไม่ใช่ทํำท่าด้วยมันไม่ใช่พยายามด้วยแต่มันฟังอาจารย์ไปเนี่ยมันอืออืออืออือใช่ใอืออืออืออ่าออืออืออ่าออย่างนี้เลยอืออืออ่าไออืออ่าเนี่ยก็จิตเหมืนการมันมันกระเพื่อมได้ไหวตัวได้มันเป็นจิตบทก็คือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ว่าเราเวาอืออืออ่อ่าอืออืออือออย่างเงี้ยก็อันนั้นก็ใช่เป็นจิตหมดเลยส่วนทําทําในทางก็คือทำอารมณ์เนี่ย ธรรมอารมณ์เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยธรรมอารมณ์เวลาจิตเนี่ยจิตเวล่ะจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยในขันธ์ที่ห้าเนี่ยเขาไปรู้อะไรใช่ไหมเขาก็จะต้องส่งต่อธรรมอารมณ์คือทํางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันธ์ร่างกายเนี่ยเป็นรูปขันธ์เราก็รู้แล้วแล้วก็เวทนาเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดแล้วเวทนาแล้วก็สัญญาสังเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นเป็นเจตสิกคือทํางานร่วมกับจิตหรือวิญญาณอขันเนี่ย ไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะต้องส่งต่อทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าธรรมอารมณ์คือไปรู้อะไรแล้วก็จะต้องถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงกับถูกใจไม่ถูกใจส่งต่อสัญญาส่งต่อสัญญาจําได้ไหมรู้แล้วก็คิดส่งต่อสังขารคิดวงปรงคิดเนี่ยเรียกคือธรรมชาติของกระบวนการของชีวิตคือขันธ์หน้าเรียกว่าธรรมอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าธรรมอารมณ์เนี่ยทําไมเรียก ออกเวทนากายในกายเวทนาในเวทนามันมีเวทนาแล้วหมวดหนึ่งแล <ün onion in ama ishops> ้วมาจิตในจิตแล้วก็มามาทําในทําอีกอ่ะพอทําในทำก็ยังมียังมีเวทนาสัญญาสังขารอีกสาขันเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันก็คือเวลาเราไปรู้เวทนาใช่ไหมรู้เวทนาในในกายในกายเวทนาในเวทนาพอเราไปรู้เวทนาเนี่ยพอจิตหรือวิญญาณขันขเนี่ยมันไปรู้เวทนาพอไปรู้เวทนาเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมาทํางานส่งต่อเวทนาตัวใหม่อีก ว่าเวลาเรามีอาการโปร่งโล่งเบาสบายใจโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจไอจิตหรือวิญญาณาขันน่นมันก็มารู้เวทนาโปร่งโล่งเบาสบายมันก็รู้สึกถูกใจอมันก็เลยเกิดเวทนาตัวใหม่คือถูกใจคือเป็นสุขเวทนาเกิดเวทนาตัวใหม่ส่งต่อสัญญาจําได้ว่าเนี่ยจําอารมณ์นี้ได้จําอารมณ์ที่โปร่งโล่งเบาสบายได้พอจําได้พวกเราไม่ไม่ทันมันก็เลยไปจ เลยชอบไม่เห็นว่ามันเป็นเวทนาพวกเราเลยชอบใจที่โปร่งโล่งเบาวสบายเราเลยไม่ไม่แค่รู้มันไม่สักดิ์สวรรรู้มันไม่เห็นว่ามันเป็นขันห้าเป็นตัวสมมุติเป็นตัวที่ถูกรู้ส่วนเราเนี่ยเป็นผู้มารู้ไอ้ตัวเนี่ยว่าเราเนี่ยโปร่งโล่งเบาวสบายตัวสมมุติเนี่ยโปร่งโล่งเบาวสบายแต่ตัวเราที่มันเป็นโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวสมมุติเป็นตัวปรุงแต่งมาจากสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ผสมพันธ์กัน แลกกินซากพืชสากสัตว์กินน้ำกินลมกินอากาศมาแต่อที่มารู้ว่าตัวเราเนี่ยโปร่งโรกเบาสบายนนั่นเป็นเราแท้ๆนั้นเราไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างหลักการนั่นเป็นอมตะไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายตัวตนไม่มีมันก็อยู่ในตัวเรานี่แน่แต่เรากลับเอาไอ้ตัวเราที่โปร่งโลกเบาสบายเป็นตัวเราตอนนี้เวลาพวกพันนั่งสมาธิการปฏิบัติบอกให้เป็นรู้ตัวเราแต่ก็เอาไอ้ตัวเราที่โปร่งโลกเบาสบายเป็นตัวเราแล้วนั่งจับนั่งแช่ พอแช่ใจที่มันโปร่งโล่งเบาสบายมันก็นั่งหลับเลยตอเนี้ยหัวทิ่มสับสับสงบเนี่ยอ้ที่ท่านานัน่งหลับสับสงบก็คือจับนั่งจับแช่จับนิ่งจับเฉยจับโปร่งจับโล่งจับเบาสบายยึดเอาไว้ตัวขันห้าไอ้ตัวสมมุติที่มันโปร่งโล่งเบาสบายเป็นตัวเราเลยมันก็นั่งจับแช่มันไม่ใช่รู้ตัวเราแต่มันเป็นไอ้ตัวเราที่โปร่งโล่งเบาสบายกายเป็นตัวเราไปซะไม่เป็นไม่บังเป็นผู้รู้ตัวเราเสแล้ว มันเอาไว้ตัวเราที่สมมติเป็นตัวเราเรจะแล้วมันผิดตัวอย่างเงี้ยเรื่อยไปในการปฏิบัติเนี่ยนี่เหตุอย่งที่นั่งหลับสบปงกเดินเดินก็นั่งหลับเดินก็เดินหลับสบปงบขับรถไปก็ทำท่าจะหลับเรื่อยทํางานอะไรก็เดี๋ยวก็หลับอีกแล้วแช่เนี่ยคืออาการแช่ใจโป่งโรคเบาสบายนิ่งๆเฉยๆว่างๆไม่คิดอะไรแล้วก็ชอบมาบอกเราว่าอาจารย์ใจมันไม่คิดอะไรเลยมันว่าง มันสบายมันว่างมันโปร่งโล่งเบาสบายไม่ใช่เอาไปเป็นรู้รู้ไอ้ตัวเราเนี่ยโปร่งโล่งเบาสบายตัวเราที่โปร่งโล่งเบาสบายมันเป็นตัวขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งตัวสมมุติมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันเป็นตัวมายาเกิดมาจากการผสมพันธ์ของพ่อกับแม่เนี่ยเดี๋ยวมันแตกดับหมดเพราะว่ามันมันมาจากการปรุงแต่งผสมพันธ์กันแต่อัที่รู้ตัวเราเนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทำลายหลักมันอยู่ในตัวเราเนี่ย ความที่เราเราเนี่ยเอาผิดหลงผิดตัวอย่างนี้เรื่อยไปทุกชาติเขาจึงเรียกว่าอวิชชาอวิชชาไม่มาเป็นรู้ตัวเราสักทีเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นพระหลานที่ท่านอยู่กับรู้อยู่กับรู้ตัวเรานี่เนี่รู้อันนั้นนะไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้อย่างเดียวแค่รู้ตัวเราซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อภาษาอีสานว่าผู้ซื่อซื่อูดซื่อซื่อใครเป็นอีสานลองเลียนที่นี้ยกมือดิมีไหม เออภาษาหูซื้อซื้อไหนได้พูดพูดใหมนะ่เนียเออพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกบูธาอาจารย์ลูกธโมโนะท่านไม่ท่านไม่ได้บอกว่ารู้รู้ซื้อซื้อหรือเออท่านใช้คําว่าหูซื้อเวลาพระเจ้าท่านจยไล่โดนดุเลยหูซื้อซื้อหูซื้อซื้ อ, อแต่ลพูดไม่สำเนียงไม่ได้แล้วใหม่ก็ น, นหน่อยสิภาษาอีสานพูดว่ายังไงในโลกหนูจะพูดถูกหรือเปล่ า, ถ, าถ้าสำเนียงอีสานจะเป็นหูซื้อซื้อถูกไหมครับหลวงตาเออถูกถูกเดีาพูดใหม่ดิหูซื้อซื้อ เอาผู้สื่อสื่อผู้ซื่อซื่อปั้จใจยังผู้ซื่อซื่ออยู่กับผู้ซื่อซื่อนะ่มันก็ไม่สื่อซื่อทด้เมื่อกี้เราไปฟังเตียงผู้ซื่อซื่อโดยเฉพาะเดกันนะผู้ซื่อซื่อแปลได้แปลว่าอะไรผู้ซื่อซื่อแปลว่ารู้รู้เฉยเฉยเออเหรือรู้ซื่อสื่อก็ได้เหมือนกันเออเรู้ซื่อสื่อก็ได้รู้เฉยหรือว่าสัตแต่ละรู้ ในภาษาที่ก็แปลพระพุทธเจ้าตัดกับพยาที่จพอพอตัดจบพยะบรลุอราหันต์เลยคือสัจธวรุสัจธรรมลุสัจธรรุอันเดียวกันสัจตวรลุหรือรู้ ซ, ซ, ซื่อหรือรู้เฉยเฉยหรือรู้ได้ใจเปน็นกลางหรือรู้ได้ใจเป็นอุเบกขาแต่เราไม่ค่อยชอบพูดรู้ได้ใจเปน็นอุเบกขาเพราะว่าคนชอบไปทํารู้แล้วทำใจเฉยเฉยอันนี้ผิดนะไปทําใจนิ่งๆเฉยมันคือใจเฉยเฉยเป็นสิ่งถูกรู้แต่เรากลับไปทําใจมันเฉยเฉย ก็แค่รู้แค่รู้ใจเฉยๆก็รู้ใจไม่เฉยก็รู้เป็นรู้นะเป็นรู้แค่รู้แค่รู้เนี่ยหลลวงตาเนี่ยก็พูดตั้งเหตุตั้งผลให้พวกท่านเข้าใจพวกท่านจะได้ปฏิบัติจะได้รู้ว่าอ๋อทำไมเขาให้ปฏิบัติอย่างนี้ทำไมเขาให้ปฏิบัติให้มารู้ตัวเราซื่อๆหู้ซื่อๆหูรู้ซื่อๆเื้อรู้ซื่อๆตัวเราอยู่ตลอดเวลาตัวเรานั่งอยู่ก็รู้ว่าตัวเรานั่งอยู่ตัวเรานั่ง ขัตสมาธิก็รู้ว่าขัดสมาธินา่งพับเพียบก็รู้ว่านา่งผับเพียบแล้วก็ตัวเราจะทําอะไรก็ได้ทุกอยางบทกายเราทําอะไรก็ให้รู้กายเราซื่ อ, อแล้วกายเราหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้หายใจเข้าออกซื่ อ, อเออแล้วก็ไอ้กายเราที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมีความกายร่างกายจิตใจเขารู้สึกว่า มันเบามันสบายเราก็รู้ตัว ร, รู้ร่างกายจิตใจเราเนี่ยรู้ทั้งการนั่งการหายใจรู้ทางกายเบาใจเบาใจโปร่งโล่งเบาสบายร่างกายจิตใจไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายเราก็รู้สือส่อสื่อรู้สือ่อสื่อรู้สือ่อสื่อรู้สื่อสื่อรู้เขาแค่รู้สักตววรู้แล้วก็ร่างกายเราที่นั่งอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรมีความนึกความคิดความตึกความตอง อย่างไรจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกก็รู้เขาซื่อซื่อรู้เขาอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่เขาเป็นแต่อย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้ตัวเราเนี่ยนรู้ร่างกายรู้จิตใจรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนี่แนะก็คือกายก็คือร่างกายเราเนี่ยเวทนาจิตก็จุกจิ๊กจุกจิกจุ๊กจอาการจุกจิกในจิตในใจเราเนี่ยแนะแล้วก็ทําในธรรมก็คือธรรมอารมณ์ทุกอย่างอาการทุกอย่างที่ถูกรู้ได้าาาายยใในนจเเเเรรรรรหมมมแแลล้้วววีกกกก่อออ็็คคืืตงสุป สติปัฏฐานส ну so, no uh ี่กายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมก็ค so ือเรื่องของเราทั้งหมดเลยเนี่ยข้างในกายเราในตัวเราก็คือไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมก็คือเรื่องของเราหมดเลยตัวเรานี่เลยรู้ตัวเราถ้าเป็นกายนอกก็คือพวกท่านเนี่ยกายนอกไม่ใช่ตัวเรากายนอกก็คือนอกตัวเรานี่ไปเนี่เวทนานอกก็คือเวทนานอกตัวเราจิตนอกก็คือไปรู้ความคิดของคนอื่นเนี่ย แล้วก็รู้ธรรมอารมณ์ก็คือรู้ภายในจิตใจเขาเป็นยังไงก็ไปรู้ข้างนอกรู้จิตใจเขาสบายใจไม่สบายใจรู้เขามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรก็ไปรู้งนอกหมดเลยสรุปแล้วคือสติปัฏฐานสี่กายในกายเวทนาจิตในจิตธรรมิธรรมคือเรื่องของตัวเราทั้งหมดเลยรู้ตัวเราทั้งหมดรู้เรื่องของตัวเราทั้งหมดเลยที่มันมีอาการเคลื่อนไหวได้เกิดดับได้ปรุงแต่งได้แล้วมันก็ไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นสมมุติเป็นสมมุติเป็นมายาเป็นของไม่เที่ยง ไม่อาจทนอยู่ในสภาพเดิมได้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังสลายไปเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าเข้าไปหลงหยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราสเพสังขลาอนิจจาสังขารทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือร่างกายจิตใจ เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราอ่อันแรกก็คือสัพเพสังขาราอนิจ่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจหรือรูปธรรมนามาธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทุกขทนยามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังสลายไปหมดสิน้น สเพธธรรมมาอานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทาทั้งหลายทั้งปวงไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เป็นพุทธพจน์จากพระโอษร้านเนี่ยก็คือนี่เนี่ยก็คือที่หลวงตาสอนมาทั้งหมดนี่นแหละเหตุใดเราจึงต้องมาฝึกรู้ตัวเราซื่ อ, อ, อฝึกทั้งร่างกายที่นั่งยืนเดินนั่งนอนเข้าหองน้ำห้องส้วมดื่มกิน ฝึกรู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกมันเคลื่อนไหวลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เคลื่อนไหวก็คือร่างกายเราแน่ๆฝึกให้รู้ว่าร่างกายจิตใจเรามีเวทนาอย่างไรมีความโป่งโล่งเบาสบายไม่โป่งโล่งเบาสบายสบายเนื้อสบายตัวไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็รู้ตัวเราซื่อๆแต่อย่าไปยึดเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราให้เป็นรู้ซะเราเนี่ยเป็นรู้เป็นรู้เป็นรู้เป็นรู้ตัวเรา แต่อยเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราแล้วให้รู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันคิดนึกคิดตองปรุงแต่งอะไรทุกขณะปัจจุบันเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ว่าแล้ะให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไอ้ตัวเนี้ยแต่ให้ผู้ที่มารู้ว่าตัวเราเนี่ยคิดนึกคิดตองปรุงแต่งอะไรตลอดเวลาเนี่ยอันนั้นน่เป็นเราแท้แท้อันนี้ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเป็นอมตะตัวตนไม่มีให้ไปเป็นรู้นัทีอวิชามมันจะดับไปพอสิ้นหลงเอาไว้ ไอตัวเราที่มันมีร่างกายมีเวทนามีจิตมีธรรมอารมณ์มีอาการของใจมีจิตก็คือมีอาการยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มีความคิดมีอาการยิ้ยิ้ภายในใจได้เนี่ยไอเนี้ยว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจะไปหลงอันนี้พอที่หลงอวิชาก็ดับไปแล้วก็กลายเป็นรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ก็ปล่อยให้ไขันธ์หาเนี่ยมีอาการยิกมยิ้มยิ้มยิกมยมันคิดมันนึกมันตึกมันตองปรุงแต่งมีมีกิาการใดไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลย ได้แต่รู้ได้แต่รู้แค่รู้เนี่ยพ่อแม่กรูบาจารย์ท่านแต่ะท่านเราไปถามท่านเองอยู่ก็รู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ได้แต่รู้แค่รู้อะไรแล้วแต่ท่านจะใช้ภาษาอะไรรู้ซื่อรู้ได้ใจเป็นกลางรู้เป็นอุเบกขาเนี่ยรู้อยู่กับรู้หมดเลยหรืออยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้เออยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้หรืออยู่กับรู้ที่เป็นวิหารธรรมรู้ที่เป็นกลางเอหรือว่ารู้ที่เป็นอุเบกขาเอ แต่เราไม่เคยชอบพูดหรือเป็นโอเบขาอะไหรือรู้เป็นการพยายาจะไปทําใจปรุงแต่งให้เป็นกลางกลพยายามปรุงแต่งใจให้มันรู้อะไรทาเฉยเฉยอย่างเงี้ยอันนี้มันหลงกันเยอะมากเลยจะใช้คับถใช้ส้อยปนเข้าไปแล้วหลงเลยเราเอาแค่รู้แค่รู้สักตวัรู้เอาแค่รู้แค่รู้เอาศักทตะวัรู้อย่างเนี้ยมันดีมันไม่ต้องมาติดอะไรเขาบอกว่ารู้แล้วเป็นยังไงปุ๊บมันจะมาติดเอาผลเลยอันนี้ผิดไปเลยมันไม่แค่รู้รู้สึกว่าชอบใจแค่รู้แค่รู้หรือว่าศักทตะวัรู้หรือรู้ซื่อซื่อเออรู้ซื่อซื่อในพ่อแม่ออ้ซื่ แต่เขาแปลพุทธพจน์พุทธเจ้าใช้คําว่าสักแต่วรู้สักแต่วรู้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูุทาอาจารย์ลูกธรมว่ารซื่อซื่อรู้ซื่อซื่ออู้ซื่อซื่อเป็นภาษาอนนะแล้วก็อแค่รู้แต่ลูกตาชอบใช้คําว่าแค่รู้แค่รู้มีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายจิตใจเราความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรสบายสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจเอาแค่รู้พอแค่รู้แค่รู้จบจะแค่รู้อย่ามาถามว่าถ้าแค่รู้แล้วจะเป็นยังไงถ้าเป็นยังไงมันไม่แค่รู้แล้วอนนี้มันยึดอะไร มันจบลงแค่รู้แค่รู้ในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมันแค่รู้สักแต่วรู้มันจบลงแค่นี้ให้เป็นรู้แล้วก็เป็นรู้เมื่อไหร่ก็จบเนี่ยถ้าเราสอนมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยสอนตัวเราเองมันก็หายโง่แล้วเพราะว่าอะไรสติปัญญาเนี่ยมันมากกว่าหมาแมวหมาแมวเราสอนมันเจ็ดวันเ็ดเดือนเจ็ดปีมันต้องฉลาดแน่นอนสอนมันตลอดเวลามันต้องฉลาดเราเนี่ยมันโอ้ฉลาดกว่าหมาแมวเราก็ต้องเนี่ยสอนมันสอนมันมาเป็นสิ่งที่เป็นรู้เราแท้จริงเป็นสิ่งที่รู้ตัวเรารู้ตัวเราที่ตัวตนมันไม่มีมันแค่รู้ หรือสักตะวรุหรือรู้ซื่อๆได้แค่นั้นเองทุกขณะปัจจุบันอันนั้นแน่เราแท้แท้เนี้ยใครเป็นรู้นั่นแน่รู้ซื่อๆสักตะวารุแค่รู้ทุกขณะจิตปัจจุบันแค่รู้อะไรก็รู้ตัวเราเนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมก็คือตัวเราทั้งหมดเลยแต่ตัวเราเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยคือตัวสมมุติมันเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวผสมที่เกิดมาจากการผสมพันธุ์ของพ่อกับแม่อันนี้มันเป็นตัวปรุงแต่งมันก็ตายแตกหนาบน แต่ที่รู้เนี่ยรู้ตัวเราที่มันมีความรู้ที่มันรู้ว่าเราคิดนึกตอนปรุงแต่งอะไรเคลื่อนไหวยังไงมีมีความมีเวทนาอย่างไรเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยที่ถูกรู้ได้เนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวผสมเป็นตัวไม่เที่ยงมันเป็นจังทุกขังอนาตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่ายึดผิดตัว้อมไปบ่อยไบ่อยเนี่ยมันก็เลยมาเป็นรูปตัวเราจนได้น่ะนะเราสอนมาตั้งเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอ่ะพุทธเจ้าเลยบอกว่าเอ้ยมียังไงพอต้องบรรลุนิพพานแน่นอน ยืนยันเลยขยันสอนขยนันรู้ขยันบอกหรือเปล่าละ่ะขยันบอกขยันรู้ขยนัขยนสอนเนี่ยอย่าไปขาดสติไม่รู้แล้วแล้วก็เหมื่อเพลินกลายไปเป็นคิดอะไรมันกลายไปเป็นเอาไว้ไอตัวปุงแต่งเป็นตัวเราอีกแล้วเดี๋ยวก็อ้าวไม่ไม่บอกไม้สอนอีกแล้วเราก็พอมันเมื่อเพลินคิดอะไรปุงแต่งไปก็ดุมันว่ามันเอยไปเอาไว้ตัวปุงแต่งตัวขันห้ามามาเป็นตัวเราอีกแล้วชอบเอาตัวเราไปคิดโน่นคิดดีคิดนั่นคิดนี่ มัดผีดตัวสอดบอกเข้าแล้วก็เอาหมายใหม่มาเป็นรู้ตัวเราซะให้ไอตัวเราเนี่ยที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกนรืคิดอะไรสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายกายไม่สบายใจมีความรู้สึกหรืคิดจุ๊กจิกจุ๊กจิกุ๊กอะไรอยู่ข้างในเนี่ยให้เป็นตัวถูกรู้ซะแล้วไปยึดอันาวไปยึดเอาไอตัวที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเราให้มันเนี่ย รู้รู้รู้ตัวเราตะพุตตะเพือรักตะวรุตัวเราตะพุตตะเพือรักตะวรุตัวเราตะพุตตะเพืออย่าไปยึดเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เปตัวเราแค่นี้แน่มันสอนไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วก็ปฏิบัติแบบเนี้ยดะมีสติปัญญากำกับแบบนี้เรื่อยไปเจ็ดเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพุทธเจ้าบอกว่าต้อบรรลุอรหันต์อย่างแน่แท้มีมีสติปัญญาคนไหนที่สอนง่ายสอนตัวเองง่ายบอกตัวเองได้เนี่ยสอนตัวเองง่ายมันก็ภายในเจ็ดวันก็บรรลุนิพพานได้ นี่สอนตั้งเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปียังไงพระเจ้าตอบวมันต้องบรรลุแน่นอนน่ะขยันรู้ขยันบอกขยันสอนขยันรู้ขยันบอกขยันสอนเนี่ยมันก็ต้องบรรลุได้แน่นอนเนี่ยเนี่ยพระเจ้ายืนยันไว้เลยให้ทำอย่างเนี้นะทางนี้เท่าเดียวทางเดียวเท่านั้นจิบรรลุนิพพานได้เนี่ยทางสายเอกคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในทมมันก็เป็นเรื่องของร่างกายจิตใจของเราทั้งหมดเลยเรื่องของเวทนาเรื่องของ ตัวเราทั้งหมดเลยไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยมาฝึกมาจนกระทั่งมันสักแต่ว่ารู้ตัวเรารู้ตัวเราซื่อซื่อสักแต่ว่ารู้ตัวเราไม่หลงเอาตัวเราไปคิดไปปรุงแต่งไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามทําอะไรสักแต่รู้ตัวเราทุกขณะปัจจุบันจะได้ไม่หลงเอาตัวเราเนี่ยไปคิดปรุงแต่งวุ่นวายไปมันจะได้เป็นสักแต่ว่ารู้ตัวเราหรือรู้ซื่อซื่อตัวเราหรือแค่รู้ตัวเราทุกขณะปัจจุบันพอเป็นรู้ตัวเรามาเป็นรู้ปุ๊บก็บรรลุอรหัเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านเราไปถามท่านมา ท่านก็อยู่กับรู้อยู่กับรู้นี่เนี่ยอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ถามใครก็อยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้เนี่ยนี่เนี่ยคือวิหารธรรมของพระอราหันต์ทั้งหลายหวังว่าท่านจะโคใจแล้วท่านเพียรเข้าปฏิบัติอย่าทิ้งรู้แล้วก็ไปหลงคิดอย่าทิ้งรู้ตัวเรานี่เนี่ยแล้วก็ไปหลงคิดอย่าทิ้งรู้ฝึกเข้าสอนตัวเองเข้าฝึกเข้าสอนตัวเองเข้าสอนไป ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องบรรลุพระนิพพานอย่างแน่แท้หากท่านมีอายุยืนต่อไปอีกถึงอาจจะอยู่ได้ถึงอีกเจ็ดปีก็อาจจะบรรลุทําได้พันเร่งเขาพ่อบางคนแก่มากแล้วชรามากแล้วขอให้อยู่ได้ถึงเนี่ยยังไงอ่ะอยากมันให้ได้ถึงอีกเจปีก็พอที่จะบรรลุนิพพานได้พุทธเจ้าตรัสภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่าทิ้งรู้ตัวเราอย่าอย่าทิ้งรู้แล้วก็ขยันบอกขยันสอนขยันดูว่าอะไรมันเผลอไป เพอไปเอาไอ้ตัวที่ถูกรู้เป็นตัวเราขยันบอกขยันสอนขยันว่ามันเข้าไม่ช้าหรอกเราไม่ใช่หมาแมวเนี่เราฉลาดกับมันทั้งเยอะเราขยันบอกสอนมันตั้งเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันจะไม่หายโง่อูก็แย่แล้วขอให้ขยันบอกขยันสอนและขยนันรู้นะแด่มันต้องบรรลุวินิจพานแน่แท้พุทธเจ้าตัดขอให้เรามีอายุยืนพอที่จะบรรลุได้ก็แล้วกัน